ครั้งนี่ยเรารู้ก่อนนะคะแต่ว่ามันบุ้มออกมาค่ะแต่ถ้ามีเียบเที่ยวกับคนอื่นเห็นปั๊บไม่เป็นไรเขายังไม่รู้ก็คือหลบเด็กไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแล้วจิตมันก็เบาหลงที่มานั่งดูว่ามันต่างกันยังไงระหว่างผู้อื่นกับสามเพราะว่าคือสามีเนี่ยเรารู้สึกปลอดภัยนะะคือสังเกตไหมอ่ะ ว่าเราอะชอบทำร้ายคนใกล้ชิดมากกว่าคนข้างนอกเพราะเรารู้สึกปลอดภัยค่ะค่ะนะและอีกอย่างกเขาตส่ใจเราค่ะน ะ, ะจริงเนี่ยคนคนเรานี่ไม่ฉลาดอย่างหนึ่งนะคะคือแทนที่เราจะดูแลนะแล้วก็คะระมัดระวังความรู้สึกของคนใกล้อ่นะเรากลักบไประมัดระวังคนามรู้สึกคนไกลมากกว่าน ะ, <ม>นะค่ะตรงนี้ ตรงนี้เนี่ยนะให้ให้ป ร, รับซักนะคือถ้าเราเรามัดระวังแล้วีงคนใกล้เนี่ยนะคนใกล้เรามีความสุขนะสังคมแวดล้อมเราก็มีความสุขนะคือมันมันคล้ายๆว่าตรงนี้มันเป็นความจรินนบบงนะคำเดียงขนมไทยเราเป็ น, นปอย่างนี้ น, น้วยใช่ไหมเราต้องตง้องช่วยคนอื่นให้ดีกว่าใช่ไม่ใช่แค่เป็นมารยาทพออยู่ข้างนอกเนี่ยเราจะมีมีมีมีกรอมารยาท แต่ว่าพอพออยู่กับคนได้เนี่ยเราไม่มีตอบแล้วเราแค่ที่แล้วเราก็มีความมั่นคงก็แล้วไงก็พูดกันได้คุยกของเราเองแต่คนที่คุยกับคนใช่เป็นคนที่เราควรจะถนอมใช่แบบมันรู้ค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่าไม่ตีในะไนเนี่ยเขาเลี้ยงดูเราเป็นอย่างดีทารุณิกนาการเกาไม่ได้ทําก็รู้สึกขอบคุณเขาค่ะแต่พออย่างเจ็ดวันเนี่ยอาจจะมีครั้งหนึ่งหรือสองครั้งเนี่ดูมาตลอดแล้ว ปิดไฟอะคะ่ะก็เกิดคลิกนะหลังจากนั้วก็ไปขอโทษแบบว่าขอโทษนะเมื่อกี้เนี่ยขัดใจแต่ไม่ได้เพียงนะคะเพราะเขาเป็นคนเรียบร้อยแต่ใจเรารู้ค่ะหมายถึงว่าใจเนี่ยเขาบอกเนี่ยไปไม่ได้นะอันเนี้มันไม่สําคัญไปอันนี้ดีกว่าแต่ความคิดของตัวเองบางครั้งมันก็นถูกด้วยว่าเราควรจะทําอย่างนี้ไม่ใช่แบบนั้นแต่จิตมันอย่างเนี้ยค่ะว่าพอนั่งรถด้วยกันก็จะบอกว่า เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ฟังเราถ้าฟังเรานะจะนีเป็นอย่างนี้เหมือนกับมันจิตมันไปตอบย้ํามันไม่ได้ถอนออกมา mm hmm. รู้ทั้งรู้แต่มันไม่ได้ถอนลากถอนโคลนออกอะค่ะคืออยากจะฝึกตรงนี้ค่ะว่ามันทํายังไงถึงแบบถอนลากถอนโคลนออกมันมาอย่าไปค้างมันข้างในต้องไปตอบย้ำอะไรเนี้ยคือรู้ฟั์เห็นฟัาเสียงที่หลวงพ่อบอกแต่มันถ้าไม่คนข้างนอกเราทำส่วนใหญ่จะได้แต่คน สามีเราเลี้ยงเราเองดูเราแต่เรานี่แบบเอาแต่ใจตัวเองเลยค่ะเกี่ยกับคนข้างนอกเนี้ยนะเราจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีฟองนะมันมีฟองเรารู้ว่าแค่ไหนพอแค่ไหนนะไม่ได้ลองมากค่แต่กับสามีเนี้ยมันเหมือนยังไงก็ได้แล้วก็คล้ายๆว่าเราก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมไปดูที่ความเห็นของเรานะสังเกตไว้เวลาเรามีความเห็นเนี้ยนะที่จริงเนี้ยคนเราเนี่ยมีความเห็นในทุกเรื่อง ตลอดเวลาใช่ไนะหะแต่ว่าเวลาเราทำเห็นเนี่ยเรามีเรามีความยึดในความผห็ของเราด้วยมีวิ<ห> น, นัยทิฐิใช่ไหมคะใช่ค่ะคือจริงๆอันเนี้ยถ้าตาสามเนี่ยก็เรียกว่าทิฐิบวกกับอุ ป, ปทานการยึดในความเห็นรวมก็เป็นทิฐิอุปทานนะค่ะคนเราในโลกเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าทะเลาะกันด้วยของเหตุผล น, นะคือผลประโยชน์จับความเห็นขัดกันค่ ะ, ะนะ ถทะเลาะกันอย่างสมมติว่าเราอยู่กับสา ม, มีเนะี่ยไม่ได้มีเรื่องผลประโยชน์จะ <C> จะมีเรื่องความเห็นที่แยดกันนะความจริงเนี่ยทุกเรื่องทุกเรา่องทุกคนจะมีความเห็นจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะมันมีหน้าที่ให้ความเห็นแล้วจบไปแต่เวลาที่เราให้ความเห็นไปสังเกตไหมเราจะมีแรงผักที่จะพยายามผลักดันให้ความเห็นของเราได้รับกันหรือเปาค่ะนะอันนี้จริงๆแล้วปัญชนเป็นเยอะนะ <C> เราแค่ไปดูนะเวลาเราให้ความเห็นทีนี่นแต่เราแน่นไหม นะแรงแม่งนี่เราทุกเพื่ออะไรเรยึแล้ว่ะนะที่จริงมันเหมือนกัเหมือนกับว่าเวลามันมีนมปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราแค่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะไม่แค่ส่วนเดียวนะอย่างเรามีหน้าที่ให้ความเห็นหรือช่วยหรือทําทุกอย่างตามหน้าที่เราแล้วมันจบไปนะส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยมันขึ้นจากปัจจัยตัว อ, อื่นนะอันนี้ใช้ได้แต่ทุกปัญหาในโลกเราแก้ปัญหาเนี่ยได้บางส่วน หรืออาจจะแก้ไม่ได้เลยหรืออาจจะแก้ได้บอกอันนี้ขึ้นกับปัจจัยรอบข้างคือถ้าเราวางใจเราเข้าใจนะความเปนจริงของโลกมันได้แค่เนี้ยนะเดีย๋ยวเราไปบอกเขาเขายังไม่เห็นด้วยนะเขายังไม่เห็นด้วยเขาเราไปบังคับเขาไม่ได้ถูกไหมอย่างสมมุติว่าเราเองเราไม่เห็นด้วยเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วว่าทําไมแกเราต้องลงใช่ไหมเพราะเราพยายามจะให้เขาถึงด้วยตามเรามันก็เหมือนกันกับข้างนะะ เขาก็อยากให้เราเห็นด้วยตามเขาะนะถ้าต่างฝ่ายต่างยึดปุ๊บเนี่ยก็คือทะเลาะกันะนะเราดูตรงนี้ก่อนถ้าเรายึดไปปุ๊บเนี่ยเราทุกข์แล้วเราแนม่มันมีความอยาก อ, อยากจะให้เขาเห็นด้วยกับเราะนะตัวนี้เป็นปัญหาะนะไปคอยดูเวลาให้ฟังเห็นไปเรื่อๆถ้าเราเห็นตรงนี้ทันนะต่อไปเราจะสบายขึ้นอย่างเวลาเราแก่ปัญหาเนี่ยเราบอกไปหรือเราให้ความเห็นไปที่เราคิดว่ามันน่าจะถูก คนอื่นพวกก็มีความเห็นที่เขาคิดว่าในจะถูกเหอนกันนะถ้าทุกคนพร้อมยอมรับกันได้ปัญหามันก็แก้ไปได้แต่ทุกคนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะทุกคนพวกก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเราบังคับเขาไม่ได้ใจเลยยังบังคับไม่ได้นะตั้งจากร้เราไม่บังคับตัวอค่ะเพราะตัวเราเอง เ, เนง่ปลี่ยไม่ได้เลยนะ เหมือนกันนะเาเป็นนกท่องที่ยวไม่ได้ลองดูดูตรงนี้นะดูตรงนี้เปความเห็แล้วใจเราเขได้ลงมันลงมันลงเนี่ยไม่ใช่เพราะความเห็นเราผิดเราผิดโดยสุ่มแต่มันลงเพราะมันเข้าใจมันเป็นความจริงเออมันเข้าใจมันยอมรับความจริงทุกคนเป็นอย่างเขาเป็นงนี้เขาไม่ต้องเตรียมพร้อมก็ได้เราไปดูสิอย่าไม่เข้าใจว่า่เขาแบบาดีนะเขาควรจะดีกว่านี้ี ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะเขาดีเลยแต่ผู้คนจะดีอยู่ดีตรงนี้ยค่ะการกำลังเราค่ะนะค่อยดูไปแล้วมันจะสบายขึ้นเมว่าชีวิตครอบครัวของที่มันมีไบเอซเยอะมันมีคอนเฟลกกับอินเทอร์เอ้วต้องบอกเขาว่าไม่ดีค่ะอันนี้ใจเราต้องมีความเป็น2องยูโฟนจังวะคะแล้วความเห็นอันนี้ถ้าเราหยุดของเราก็โตอ่อนวิความเห็นที่ผิด คือไม่ใช่บายแอสน่ะคือว่าเขาบอกว่าถ้าบอกเรายอมรับโอเคไม่ต้องพูดไม่ต้องโกรดแต่ว่าตกลงเลือกอันนี้เลือกหนึ่งกับสอก็กลายเป็นสองได้บไปแน่ใจว่าหนึ่งถูกคือที่อย่างนี้คืออาจจะเราต้องดูนะในสภาว่อย่างนั้นถ้าเขาไม่ยอมจริงๆนะถึงเราพยายามผลักดันไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหะต้องให้บทเรียนสอนนะคะคือเราให้เหตุผลไปแล้วเราไม่ต้องโหมก็ได้นี่แล้วเราไม่ต้องทุกก็ได้ พอถึงเราทุกข์หรือเราโมโหโนเนี่ยเขาก็ไม่ทำอยู่ดีค่ะใช่ไหมคะคือเราเหมือนเราเข้าใจเขาวอะนะแล้วใจระวางซะไอความเห็นของเรา <S 2> <S 2> <S นะฮะแล้วต่อไปเนี่ยตอนที่เขา ส, สบายๆนะเราก็มาลองคุยกันด้วยเหตุผลว่าอันไหนมันดีกว่ากันตอนที่ทุกคนไม่มีอารมณ์ค่ะนะคะแล้วต่อไปก็ใช้เหตุผลคนะอันนี้คือเราดูกิเลสของเราก่อนเรายึดในความเห็นเราก่อนอันนี้ทุกข์ตั้งแต่แรกแล้วพอมันยึดแล้วมันออกความเห็นคัามเห็นว่าใจเรามันแน่น เราวมันยายมจะฟอสให้ได้ค่ะเวลาที่เราฟอสเนี่ยนะเราส่งพลังงานนะครับกดดันนะทุกคนนเวลามันให้ความเพียรปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะมีแรงที่ออกไปกดดันคนอื่นค่ะนะแล้วถ้าฟอสซึ่งกันและกันถ้าต่างคนหนักแรงก็คือทะเลาะกันนะคะลองลองไปดูตรงนี้ก่อนว่าถ้ากิเลสเนี่ยมันเกิดขึ้นเราแน่เรามีความทุกข์ตั้งแต่แรกแล้วนะคะคเสร็จแล้วก็ทุกข์ที่เขาด้วยเนี่ยเรายอมเขาไว้ถ้ามันไม่ถึงใจหรือว่าฝ่าแรงหรือมันร้ยแรงมากๆนะ บางทีเนี่ยมันก็ต้องให้บทเรียนสอนเหมือนกัน <ừ. S 1> นะคะแล้วก็ค่อยคุยกันไปหลัง <c oughs> ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นยังไงนะแล้วต่อไปชีวิตคู่มันจะได้มีปัญหาน้อยลงเลยมันจะเข้าใจกันมากขึ้น <ừ. S 3> แล้วบางคนก็บอกว่าพิจารณาตัวเอง <c oughs> พิจารณาตัวเองนบกว่าก <c oughs> ็อาจจะไอเดียเราจะผิดก็ได้อะค่ะคือความจริงเนี่ยเลยอย่างเราเวลาเราไม่ทําเห็นเนะี่ยทุกคนก็จะคิดว่าของตัองถูกบางครั้งมนค่าถูกร้อยเปอร์เ แต่ว่ามันก็มีบางข้อมูลนะที่จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ถูกก็ได้นะะถ้าถ้าเราแชร์ก็ได้ใจกว้างหน่อยนะเราก็จะได้ได้ทางที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าคนอื่นเนี่ยเราควบคุมเขาไม่ได้นะค่อย่างถือว่าเราจะใจกว้างแต่เขาไม่ใจกว้างเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้เขาก็เป็นอย่างที่เป็นนะเราก็คิดว่าเออในภาวะอย่างนี้เราทําที่ดีที่สุดได้แค่ไหนนะคะก็ออยอมรับมัน คือปกติเนี้ยมราจะพยายามสวดในตอน่มตอนเช้าการก็จะนั่งก่อนจะนั่งจะนั่งก่อนแล้วก็ปฏิบัติก่อนกยสวด <จ Ancient S 2> สว ด, ดก่อนนี่หมดแรงกันก <dest celebrations> ็เลยเอาสวดรนการแล้วกลับปฏิบัติก่อนปฏิบัติบางทีก็ครึงชั่วโมงชั่วโมงแลแ้วแต่คือเพื่อพยายามทําตอนเช้าแต่บางทีเนี้ย <S <S ตื่นสายก็ตื่นสายปั๊บเนี่ยมันก็มี สุราอย่างอื่นที่เราต้องมาให้ทํา <Okay. S 1> ก็เลยเลื่อนการปฏิบัติสวดออกไปเราวางเวลาเราวางที่ยราไม่ได้ทํายมีความรู้สึก g ิ i l t y นะคะมันมีความรู้สึกว่าวันนี้เรายังไม่ได้ ย, ไไดยังไม่ได้ปฏิบัติภาวนาเรามีความผิดอย่างนึ้งอันนี้เป็นความเป็นความเป็นเป็นสิ่งที่มาเตือนจตติตติหรือสุราว่าเราจะต้องทํา อันนี้ถ้าเราเกิดแล้ ว, ว เ, าเราไปนั่งปฏิบัติข้าจริงๆข้ากับการสืนตัวเราเนี่ยมันผิดนะค ะ, ะคือที่จริงอย่างคิวตี้ใช่ไหมคะค่ะคิวตี้เนี่ยใจเป็นทุกข์นะคะค่ะใจมีความโกรธนะคะเป็นโทสะเป็นกิเลสค่ะนะคะรู้ทันตรงนี้ไปก่อนอนะคะเแต่เรารู้เนเหรอเราเราไม่สามารถทําได้เราเหตุผลของเราใช่ไหมคะแล้ถ้าร่างกายเราไม่แห่งร่าเรายังดับผู้ร่างอันนั้นเราปฏิบัติต่อร่างกายเราอย่างไม่สมควรนะคะ อี่ยงเราควรจะพักให้พอนะคะมีเวลาเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่ว่าต้องนั่งในรูปแบบนะค ะ, <ฮ>ะอย่างสมมติเราไม่ค่อยสบายใช่ไหมคะเรานอนไปเราจะใช้พุโทโธพุโทโธแล้วก็เห็นร่างกายเนี้ยมันพุโทโธไปนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะรู้ลมหายใจก็ดูเขาดูลมหายใจเข้าออกไปเรืเร่อยๆจนทั่งเราหลับไปนะคะคือปกติก็ถ้าเวลาที่ไม่ได้นั่งปฏิบัตินีอดอย่างที่อย่างเวลานั่งคุยกันเนี่ยก็พยายามเบรกขังไปด้วยตลอดเวลาคือ คือถ้าไม่เผลอนะคะ<ช>ก็ก็จะพุทโธพุทโธไปเลื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยคือคิดว่าพอวันไหนที่ไม่ได้ทําที่ตัวเองเอาตั้ใจไนนป้นะของตรไหนที่ไม่ชี้ว่าคือเป็นทศรูปหนึ่งใช่ไหมคะรู้ให้ทันแต่จากนั้นกิเลสเราเกิดแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ลองดูซิว่าเราทําได้แค่ไหนนะคะ <c oughs> คือทุกวันเราทําให้ดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยหมายถึงว่า ถ้าเรามีภารกิจหรือะไรแบบเลี่ยเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าเราหาเหตุผลที่จะเลี่ยงไม่ปฏิบัตินะแล้วก็วันนี้ถึงเวลาพักก็ควรพักเพราะว่าเราไม่เคยแข็งแรงแล้วก็พักให้พอนะคะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็เอาใหม่ค่อยๆทำไปนะคะตรงนั้นกิเลสเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กิ๊บที่นั่นเป็นโทสะนะคะเป็นอกุศลก็รูกท่านว่กิเลสเกิดแล้วอ๋ยวปล่อยให้มันครอยงำใจค่ะบี่ครับที่ตัวเรียนพูดถึงเรื่องสวดมนต์ ก็เลยอยากทราบว่าเพราะว่าก็มีพี่เขาแนะนํามาให้สวดสวดมนตนะคะว่าสวดขันธิติคืออะไรต่ออะไรทีนี้ก็ฟังจากทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่ออะไรนะครับพูดถึงว่าฟังเรื่องพุทธวจนะฟังพอรู้เรื่องหน่อยรู้เรื่องบ้างอะไรก็ฟังฟังแต่ปัญญาตัวเองแต่ว่าก็สงสัยยก็มีความสงสัยอย่างเรื่องสวดพาหุงนะคะ สวพดพระคุอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไม่ใช่ส่วนคําพุทธวจนะใช่ไหมคะมันเป็นคําที่สาวพวกแต่งหรือใครแต่งไม่ทราบแต่ว่าไม่ทราบประการสวดอันเนี้ยเพราะว่าเราสวดเพื่อที่จะให้เป็นการสวดที่โยคะ บ, บอกว่าสวดแล้วทํำให้เราเนี่ยจกชนะแล้วก็พ้นภัยต่างๆมันก็เข้ากิเลสเราสิคะใช่ไหมคะ ก็บางคนเขาเชื่ออย่างนั้นนะคะแต่เขาก็สวดไปแล้วก็ได้กลับได้กำลังอย่าเงี่ยก็สวดไปตรงเนี้ยมันมันเราไม่จำเป็นต้องถกเถียงกันเรื่องความเห็นนะคะอย่าเราสวดมนุ์เนี่ยอิติปิโสก็พุทธาวิทยาอันนั้นนะคะอันนั้นก็แล้วแต่เขาคิดนะคะเราไม่ต้าไปไปไปยุ่งกับเขานะคะเรจะพาหูมือะไรที่จริงแล้วบทสวดทุกบทเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเราสวดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเราทําสมถะไปทุตัวนะคะเรารู้สึกถึงผู้ทอคุณนะคะ ที่ทุกคนเนี่ยเราก็เหมือนได้นึกถึงเพื่อเจ้ามันก็เราก็ได้พลังพลังงานนะคะแบบคนนึกถึงแท่นเนี่ยเราก็มีกําลังขึ้นมาที่จรงหมดอะไรก็ได้ค่ะไม่ไม่ต้องเสียเรื่องแค่คนหนเพราะชอบอันนี้เพราะเสวดอันนี้นะคะคือก็ปกติก็สวดแล้วค่ะแต่ทีนี้มันคิดอีกทีเอ้เพราะว่าเราสวดอิติโสเนี่ยเราละลึกถึงธรรปุะไปตามประสงค์อันนั้นเราเราอันนี้ก็เสริจแล้วค่ะไม่ต้องอะไรพอพอมาสวดคาหุ่เนี่ยว่า มันมีคำว่าเพราะว่าเลยทําให้ว่าเราสวดอันนี้เราเราตามกิเลสเรานะเราตามว่าคือไม่ทราบคงจะคิดมากนะคะว่ามีเราสวดเพราะว่าเราต้องการไม่ใช่ว่าเพราะเราละลึกขุนหรืออะไรที่หมายเราต้องการก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะคือเราสวดไปแล้วก็อย่าไปอย่าไปคิดอย่างนั้นเราก็ถือว่าเราสวดมนต์เนี่ยทุกครั้งที่เราสวดมนต์เนี่ยแต่เราก็ได้สมาธิก็ได้ประโยชน์นะคะจะบทอะไรก็ได้ แต่เพาว่าดีแล้วก็เออเถิดไปก็ได้ก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมคะไม่ได้เสียเวลาแต่ทําไมส่วนมนแล้วถึงหมดแรงอะคะเห<ม>นื่อยค่ะเราอยากออกเสียงก<ถ>็งเป็นเ<ต>สียงแล้วกนะ็บางทีไม่ออกแล้วค่ะแต่ระยะนึ้งไม่ออกเสียง<ม>คือออกกเบาๆแล้วเมื่อก่อนนีนก็ออกเสียงดังแต่วันนี้ค่อยๆไม่ค่อยแข็งแรงก็สวดในใจก็ได้ค่ะพะสวดในใจนี่มันมัน เวลาสวดในใจนี้รู้สึกมันมีความคิดมาตีกันอยู่บ่อยเลยค่ะแล้วมันเลยสวดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอย่างน้อยเนี่ยต้องออกเป็นการคิดคิดสวดในใจแต่ติดติดสวดพระกบาลนี้ไม่ได้จะต้องออกเป็นบางกว่าคือั้าก็สวดแบบอยู่ในใจนี่มันไปได้ไม่ตลอดใช่ะควาจริงควาจริงคจริงอย่างนี้นะคะ เราสวดมนต์เนี่ยนะเราไม่ห้ามความคิดนะคะรันนัน้นอาจจะเมื่อแล้วมันมันมาแย่งกับที่เราจะปะัญญาจะสวดให้รู้ทันนะคะแล้วเร า, าสวดของเราไปเรื่อยๆในช่วงแรกที่เราสวดเนี่ยบางทีใจเรายัางฟุ้งซ่านอยู่ใช่ไหมาบางทีมันก็ไปเยอะบ่อยไม่เปไนะ็นไรนะคะพอสวดไปเรื่อยๆด้วยคำสบายๆนะคะใ จ, จะก็จะค่อยๆสงบลงนะอันนี้เวลาที่เราสวดแล้วจิตไม่ได้คิดเนี่ยเราจะเห็นจิตที่ห น, <ๆ>นีไปคิดนี่เปิดค่อยมันก็เหมือนการซ้อมเห็นจิตที่เผยอไปที เห็นบ่อยๆเราไปกิดเข้าจังได้กลางวันนี้พอเราเผลอๆปุ๊บเนี่ยสติจะเกิด น, นะะเพราะฉะนันเราสวดมนต์เนี่ยเราเราตั้งหลักไว้อย่างนี้ว่าช่วงสวดมนต์เนี่ยเหมือนเป็นช่วงภาวนาไปด้วยนะคะบทสวดมนต์เนี่ยเหมือนกับเป็นเป็นแบ็กกราวด์นะคะให้เราโฟกัสการคให่นี้เราไม่เสียเวลานะคะถ้าเราไม่ได้ใจไม่ได้ใจถ้าฟุ้มต่านเนี่ยมันจะไปบอก อย่าไปพ้อแท้ใจมาไปค่อยๆมาแล้วก็ค่อยสรวจไปเรื่อยๆมันจ ะ, ะสบายนะันก็จ ะ, ะค่อยๆสงบลงแล้วมันจะค่อยเห็น<ม>คือส่วนมนเราไม่ห้ามจิตไปคิดนะคะคือจิตของคนปกติเนี่ยถ้าสรวจบทที่คุ้นเคยจิตเขามไม่ต้องจำใช่ไหมคะมเขาอานี้ไปคิดอย่างอื่นแทนจิ<ม>นะคะ<ม>อันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะไม่ต้องห้ามนะแล้วราถือโอกาสนะว่าตอนที่เราสรวจมนเนี่ยเราซ้อมดูจิตที่เผไปคิดสังเกตไหมเวลาเราเผลอไปคิดเนี่ยเราลืมหมดเลย เหมือนใจเราถลํามานไปอยู่ในโลกของการคิดใช่ไหมคะพอเรานึกได้เราก็สวดต่อไม่ต้องดึนไม่ต้องห้ามนะคะเอาช่วงสวดมนต์เนี่ยเป็นช่วงซ้อมดูจิดไปด้วยสังเกตไหมเวลาเราคิดเรื่องที่ดีใจเราก็ถูกตรงบนขึ้นมาทุกขขึ้นมาที่เรื่องที่คิดที่ไม่ดีอ่ะตรองวนขึ้นมาที่เรื่องที่ดีใจเรามีความสุขขึ้นมานะมันใจเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเหมือนกับที่จริงมันก็เหมือนกับเดินตรงกลมเดินตรงกลมเราก็เห็นจิตเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะคะ แค่บทสวดมนเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เหมือนบทสวดมนต์เป็นเครื่องอยู่นะคะถ้าคิดแบบนี้คือเราสวดมนต์สมดใจนีไปคิดรู้ทันแล้วเราก็สวดต่อเรื่อยๆนะคะเอาบทสวดมนต์เนี่ยเป็นเหมือนจบบหลักแต่ๆไว้นะคะคือไม่ใช่สวดมนต์เลยจะต้องให้จบให้จบแล้วตัวที่พม่คิดอะไรเลยอย่างนั้นมันจะบังคับมันจันื่อยนะคะถือว่าช่วงสวดมนต์เป็นช่วงซ้อมเนี่ยเราสวดยาวเท่าไหร่ก็ได้ก็เป็นช่วงที่เราซ้อมดูจิตไป ทำใจสบายนะคะถ้ายิ่งถ้ายิ่งพยายามบังคับให้มันไม่คิดเนี่ยมันยิ่งเครียดนะมันจะยิ่งยิ่งยิ่งกดมันมันก็จะยิ่งไม่สงบนะคะแต่ถ้าเราสบายๆเราสวดไปเรื่อยๆเนี่ยหรือเราอยู่เครื่องอยู่รู้ลมหายใจหรือพุทโธหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ารู้สบายๆเนี่ยจิตที่ฟุ้มซ่านนี่สักช่วงหนึ่งมันจะสงบลงนะมันก็ตามรู้ทำดูไปได้นะลองดูใหม่ว่าถ้าเรา สวดในใจนะคะถ้ามันไปคิดรู้ทางไปผู้สวดไปเรื่อยๆค่ะรังหูคือตัวนี้มันไม่ไม่ไม่ซีเรียสมทีเนี่ยส่วนใหญ่คําสวดมันเป็นบาลีอันนี้ความหมายเนี่ยจําเป็นต้องรู้ด้วยหรือเปล่ามันดีขึ้นไหมถ้าเรารู้ความหมายสวดไปนี่หรือว่าสวดแปลไปด้วยก็ได้ค่ะแต่ถ้าสวดแปลไปด้วยเนี่ยบางทีเราต้องอ่านเลยอยากต้องอ่านเนี่ยอเราจะม้วนหกมุ่นกับกับ กับบทสวดบทแปลใช่ไหมคะที่จริงบนสวดที่เราต้องการเนี่ยมีไม่มากเลยนะคะเพราอลังอัหังสวัสดโตสุปฏิกันโนนโมสามจบแล้วก็มาบทอิทิปิโสสวัสดโตสุปฏิพันโนนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็แต่แต่ไม่ตาให้ตนเองแต่ไม่ตาให้สรรพสัตว์ที่จริงที่ต้องการเนี่ยมีแค่นี้นะคะบทความหูกับชายตริตรไม่ต้องสวดซึ่งแล้วมันชอบสวดก็สวดได้ค่ะก็แล้วแต่นะคะ มนุ่ <c oughs> มากคนก็จะสวดใจล้วมงคนกร็ชัยปริตต่อแล้วมาจีนก็บรรจงเกวดอะไรก็ได้คะ่ะก็เอ้แต่เวลาสวดมนนี้มันมทําให้จิตมีสมาธิไม่ใช่เหรอคะใช่ส่วนแล้วจิตก็จะได้สมาธิด้วยนะคะ <c oughs> ที่จริงบทสวดม น, นี้ต้องเหมือนเป็นมนต์ตัวหนึ่ง น, นะคะ <c oughs> มองม น, นี้สวดแล้วก็ให้พลังเหมือนกันอย่างฟาหูเนี่ยก็ได้พลังคือก็เหมือนกับเขาผูกมนต์ขึ้นมาเนี่ยมันจะว่าป้องกันตัวเองใช่ไหมคะ กินน้ำบอลทองอะไรแบบนี้ที่จริง <ๆ S 1> <ๆ>เขาก็เขาก็มีมีมีของเขาอยู่อะค่ะคือว่าสวดแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นมูลตัวนึ่งที่เราก็ได้พลังนะคะนั้นจะสวดก็ได้ไม่สวดก็ได้แล้วแต่คือคือถึงได้ถึงได้แบบว่าคิดว่าเอ๊ะท่าเราที่เราสวดเนี่ยเพราะว่าเรากินเละเพราะว่าเราต้องการเล่าขานกิเละ็ไดแล้วถ้สวดไปก็ไดไม่เป็นไรไม่ข้ามไม่เสียหายอะไรกิเละตัวดี ก็เป็นความต้องการใช่เต้นปเลยเวลานอนนะฮะจอมจะชอบมองดูท้องหายใจของยุบแต่ว่าจะพยายามไม่เพ่งคือพยายามจะทำใจสบายๆแล้วก็ดูแต่ดูจะไม่ได้เท่าไหร่ตัวเองจะเป็นคนเข้าไปหายใจเสมอมันก็คือแนกลมใช่ไหมฮะ เพราตัวเองไม่ได้เป็นผู้ดูแลแต่ตัวเองจะเข้าไปอยู่มันจะตบกระแสของการไปเป็นผู้หายใจจะดึงยังไงให้ตัวเองเนี่ยกระชับเป็นผู้ดูอยู่แล้วก็จะดึงยังไงโดยที่ไม่มีการกระชากจิตขึ้นมามตรงนี้หาที่แก้ไม่ได้ตร น, นี้มั น, มมนคล้ายๆมันเป็นเทคนิคนิดหน่อยอะค<อ>่ะก็ถ้าเราชํานานี่มันจะค่อยๆทำได้ดีขึ้นแต่มัน จ, จะตบไปที่เป็นอแนบลมเนี่ยแนบลงนี่เหมือนกับว่ามันจะ แนบลมเสมอจะจัดขึ้นมาเป็นผู้ดูอีกเนี่ยมันลำบากความจริงเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าทําอย่างนี้นะคะเขาก็ไม่ห้ามนะคะอย่างถ้าอย่างที่ท่านบมกว่าจิตเนี่ยอยู่กรบลมก็รู้ว่าอยู่กับลมไปนะคะถ้าก็าแนบลงไปก็รู้ว่าแนบนะถ้าก็แยกไปเป็นผู้ดูเนี่ยก็รู้เข้ามาเป็นผู้ดู คือถ้าเราทำาใจว่าจิตเขาเป็นไงเราคอยตามรู้ไปมันยังไงก็ได้อ๋อคือถ้าเขาเข้ากับเข้าจะเป็นคนหายใจเองก็ช่างมันก็แนบแนบก็แนบไปอย่างถ้าเขาแนบไปแนบมันก็ได้ประโยชน์เวลาเขาแนบไปมันก็เป็นการทำสมถะนะคะจิตได้พักมีกำลังเขามีแรงขึ้นมานะคะเค <ๆ S 1> ขาก็แยกมาดูเองนะนั้ น, นะะ <ๆ S 1> เขาแนบไปก็แค่รู้ว่าเขาแนบนะทีนี้พอแนบไปเ น, น, นี้ยตอนเนี้ยเรารู้สึกมันไม่ดีเราไม่ชอบใช่ไหมคะตรงเนี้เรายินร้าย นะเราก็ยามไปแทรกแซงพยายามไม่ให้มันแน่ที่จริงสมถานี่ไม่ได้ถีดอะไรแต่เวลาที่เราภาวนาเนี่ยทําสมถากับวิปัสสนาเนี่ยสลับกันไปมานะคะเวลาจิตที่เพืต้องการพักก็ให้เข่แน่ไปนะก็ได้พักไปยกเว้นว่าเราทําทีไรแล้วเราแนบตลอดเวลานะอันนั้นคือเราเอาแต่พักเราไม่ยอมเดินปัญญาแล้วก็หลับยาวจนทั้งคืนไม่เป็นไรตอนนั้นมันเป็นเวลาจะนอนแล้วให้มันนอนไป แล้วพอเวลาช่วงหัวรุ่ง <c oughs> ตื่นขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าบางพอช่วงกำลังตื่นขึ้นมาเนี่ยจะจับทันว่าอ๋อนี่ขึ้นฝันไปกำลังหลุดออกจากความฝัน <c oughs> มาก็จะจิตจะบอกตัวเองทันทีถ้าตายไปนะตอนนี้ไปอบายชั่วเพราะว่าอยู่กับความหลงคือจะจิตมันจะบอกตัวเองว่าชีวิตนี่ไม่รู้ว่าเมื่อกี้นี้มันใช่มันใช่ ชีวิตหรือว่านี่คือชีวิตสองอย่างมันเท่ากันคถูกไมหมนะช่วงพอช่วงที่ความฝันกับความจริงมันแยกไม่ออกว่าอันไหนมันคือชีวิตตรงนั้นเนี่ยจิตโยมจะกลัวมากพอตื่นขึ้นมาคือหมายว่ามันจะเป็นจุดที่ทําให้หยุดคิดพอช่วงใกล้ๆจะตื่นเนี่ยพอรู้แล้วว่าเออนี่เมื่อกี้นี้ฝันไปนะอันนี้กําลังจะตื่น จะบอกทันทีเลยว่าโอ้อย่างนี้ไม่ได้แล้วถ้าตายไปตอนนี้ไปอบายชั่วเพราะว่าอยู่อยู่กับความหลงหลงเมื่อกี้นี้หลงเข้าไปในความฝันหรือว่านี่คือหลงเข้ามาในความเป็นจริงไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้กมากไปนหน่อยนะฮ<น>ะแต่ม <นะ S 2> <ต>ันจะบอกของมันเองไม่เป็นไรเขาบอกของเขาเขช่างเขาอะนะฮะแต่ที่จริงเราก็ต้องนอนใช่ไหมคะแต่ว่าพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็ค่อยรู้วงเราไปนะเวลาถ้ามันจะฝันร้ายหรือมันจะไปจริงๆเนี่ยนะฮ<น>ะจิตเนี่ย มันจะมีแรงนะแล้วมันแยกออกมาเองแหละเหมือนคอนที่เราสื่อห้องพุกเนี่ยนะแล้วเราก็กลัวว่าเราจะไปทันทีแต่ตอนที่กลัวเนี่ยนะมันก็เป็นกิเลสนะคะมันเป็นทักกุศลนะเราเราดินร้ายกับการที่เราฝันเลนะรู้ทันตรงกิเลสตรงนี้ค่อนะแล้วก็สัตผมว่าให้เวลาฉีดตักก่อนนะเพราะรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าแล้วก็อยากแก้ใจเวลาทำงานขอบคุณ เป็นแม่ชีด้วยที่ว่าได้เปิดโอกาสให้หลวงพ่อฟ้ามวดเนี่ยมาสอนพวกเราสมราะไม่นั่นของหลวงพ่อหลวง พ, พ่อต้องมาเองไม่ <c oughs> ใช่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยตัย้งแต่ตั้งแต่เดิมอ่ะที่ก่อนที่ท่านจะมาบวชก็เป็นการเปิดโอกาสท่านอย่างมากเลยเป็นเพราะว่าเป็นก็น <c oughs> จริงๆแล้วก็อยากบนรลุหมดกันนะค่ะและรู้ว่าถ้าเราอยู่ในโลกมนุษย์โลกก็นหรก็ใจมันใจใจมันใจมันไปไอย่างนะค่ะ แต่มันก็อยากอยากมาอยู่อย่างนี้มากกว่าเก็ไม่ได้เหมือนว่าปล่อยหลวงพอ่อแต่มหมาถึงว่ามันเห็นด้วยแล้วมันก็อยากมาทางนี้เห็นด้วยกันค่ะด้วยกั น, น, น, นค่ะเรากฏแล้วก็ตั้งแต่เราเราไปอยู่วัดนี่แตวเราบูชเราไม่เคยรู้สึกว่าเราเลือกผิดเลยแลก็เดินขางหน้าหมวยจันทร์หักกันทุกคนกล้าไปเลยครับ พอดีคุยวันนี้ก็เพราะว่าพีาพ่ก็พอดีขลวงพ่อสอนเสร็จมันก็ต่องเลับเลย